คริสครับอดีตก็คืออดีตนะครับเราตั้งเข็มต่อไปในอนาคตดีกว่าตอนเนี้พระองค์ก็ทรงยอมรับคุณเป็นศิษย์นะเนี่คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากพระองค์อีกมากทีเดียวในฐานะที่คุณเองก็เป็นคนฉลาดอยู่ก่อนแล้วและพระองค์ก็ทรงพระเมตตาต่อคุณมากนะเท่าที่ผมสังเกตเห็นน่ะครูครับฉันดีใจนะที่ครูนําชั้นมาถึงแผ่นดินนี้ได้ ดีใจที่ได้พบเห็นคู่รักและคณะเจ้านายเก่าของคุณทุกคนซึ่งก็ล้วนแต่เป็นคนดีทั้งสิ้นและเมื่อพบเห็นคนเหล่านั้นแล้วฉันก็ยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าตัวฉันนี่มันช่างเลวแสนเลวะ่ะเสียงของคริสติน่าเกือบจะเป็นสะอื้นเบือนหน้าไปทางอื่นระพินตกไหลหลอนด้วยฝ่ามืออันนุ่มอ่อนโยนในสัมผัสแล้วบีบกระชับ อย่าตำหนี่ตัวเองอย่างนั้นสิคริสคุณนไม่ได้เลวร้ายอะไรเลยนะในฐานะเจ้านายคุณเอาใจใส่ลูกน้องมากที่สุดในฐานะเพื่อนคุณไม่เคยทิ้งเพื่อนในหน้าที่การงานคุณไม่เคยละเลยและในฐานะสิทธิ์จะไม่มีครูคนไหนที่ลืมสิทธิ์คนนี้ได้จำไว้อ่ะเฉดบุตรเดินเข้ามาพอดีเลย มือนจะเป็นการรอช่วงระยะเวลาจังหวะอยู่เชิดวุฒิเดินผ่านมาและหยุดชะงักทักทายเมื่อได้ยินเสียงเรียกของระพินเขาก็เบนเข้ามาหาเอา้าคริสมันหลบอยู่ที่นี่เองจักษราชและราชินีทรงรับสั่งถามหาอยู่เนี่ยเราเข้าไปฝ้าพระองค์กันเถอะทรงมีเรื่องราวสนุกสนุกอะไรต่ออะไรหลายอย่างจะเล่าให้ฟังขณะที่เครื่องมาตกอยู่ที่นี่เนี่ย คริสจับมือระพินจับมือคริสติน่าส่งไปให้เชิดบุตรแล้วบอกน้ำเสียงนุ่มเป็นครั้งแรกว่าช่วยพาคริสไปรวมกลุ่มกับพวกเราหน่อยเถอะครับคุณบุตรปเดี๋ยวผมจะตามเข้าไปสมทบด้วยเดี๋ยวขอเวลาได้พบปะสนทนากับพวกมุขมนตรีของมรกนณครพวกนี้หน่อยทุกคนก็ล้วนรู้จักมกคุณกับผมทั้งมาก่อนทั้งนั้นแหละ และตั้งแต่มาถึงนี้ผมยังไม่มีเวลาจะได้พูดยาวิสาสะอะไรกับพวกเขาเลยเขากำลังรอคอยผมกันอยู่ทางโน้นครับคริสติน่าวางสีหน้าให้เป็นปกติโดยเร็วจับมือเชิดบุตรไว้บีบแน่นกระชับแล้วบอกว่าจูงฉันไปให้ดีนะบุทรทำไมต้องจูงด้วยละ่ะฉันกำลังเมาพื้นมันดูเหมือนจะโคลงคลีงไปหมดแล้ว เชิดวุฒโอบประคองไหลคริสติน่าไว้แน่นแล้วนําเดินไปอย่างช้าๆในขณะที่ลอนซบหน้าลงกับไหลของเขาบุตรหลอนแผ่วเสียงริมหูเขาคุณยังรักฉันอยู่หรือเปล่ารักหรือไม่รักนะบอกไม่ได้หรอกแต่ถ้าคุณยอมแต่งงานกับผม ผมจะมีความสุขที่สุดในโลกครับคริสคุณแน่ใจเหรอครับแน่ใจที่สุดครับเปลี่ยนใจสมัยเถอะค่ะบุตอ้าวรอตายกลับไปคราวนี้แล้วภายหลังได้รับนิรโทษกรรมจากหน่วยเหนือแล้วฉันจะบวชอุทิศตัวให้แก่พระผู้เป็นเจ้าระยะเวลาระหว่างนี้เนะ่ะ ฉันจะขอศึกษาวิปัสนากรรมาฐานและหลักธรรมกระองค์จักรราชสักระยะหนึ่งพอเป็นแนวทางไว้ก่อนโปรดจะได้สนใจกับฉันในด้านนี้อีกเลยนะจ๊ะที่รักตอนนี้ในฉันตายด้านหมดแล้วในเรื่องทางโลกคริสเชิดวุดอุทานออกมาอย่างตกใจแล้วตัวเขาเองก็นิ่งเงียบไม่ได้กล่าวอะไรอีกเลยฝ่ามือที่โอบระคองคริส ตบเบาๆลงที่แขนของหลอนอย่างปลุกปลอบและแสดงความเข้าใจในสิ่งที่บอกนั้นแล้วก็นำหลอนเดินเข้าไปรวมกลุ่มกับอีกหลายๆายบุคคลที่รอคอยอยู่ก่อนแล้วลำคอและร่างกายของหลอนยืดตรงเป็นสง่าอีกครั้งเมื่อเข้าไปแวดล้อมอยู่กลางหมู่พักพวกที่กําลังยืนเฝ้าองค์จักรราชอยู่ เ้าหน้าถูกบังคับให้กลับมาสู่ปกติสภาพแม้จะมีอาการงโนนเงินบ้างเล็กน้อยก็ฝืนไว้โดยมีเชิดบุตรยืนชิดไหลคอยระมัดระวังใกล้ชิดดารินนั้นรอบสังเกตอากัปกิริยาของแม่อเมริกันผมทองอยู่ก่อนแล้วเดินอ้อมพละจากการยืนอยู่ในกลุ่มของสเตนลีและคิดเข้ามาช่วยประครับประคองคริสติน่าไว้ทางด้านขวาอีกคนหนึ่งกระซิบว่า ที่รักรู้สึกว่าเธอจะมีอาการไม่ดีนะักเป็นนายไปหรือเปล่าคริสติน่ายิ้มเอาแขนโอบเอลดารินค่อนข้างแน่นเธอเป็นแพทย์น้อยและฉันก็เป็นแพทย์เหมือนกันผิดกันแต่เพียงว่าฉันน่ะถูกยึดใบประกอบโรคศีลห้าไม่รักษาใครในทางวิชาชีพเท่านั้นเพราะฉะนั้นฉันรู้ตัวเองดีว่าฉันไม่ได้เป็นอะไร บางทีอาจจะเป็นเพราะฉันดื่มมากเกินไปหน่อยก็ได้มั้งแต่ตอนนี้คิดว่าเป็นปกติแล้วและมันก็เป็นคืนที่ฉันคิดว่าฉันมีความสุขที่สุดถ้าเท่ากับเธอเหมือนกันเท่าเท่ากับฉันเหรอในข้อไหนล่ะคริสก็ในข้อที่ว่าเราสำเร็จผลด้วยกันทั้งสองฝ่ายไงล่ะเธอตามมาจนพบชายคนที่เธอรักเขา แล้วเขาก็รักเธอส่วนฉันนะ่ะปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่สําเร็จผลค้นพบตําแหน่งตกของเครื่องได้แน่นอนลงไปแล้วทั้งๆที่ไม่คิดแล้วก็ไม่หวังอีกเลยภายหลังจากเดินทางมาได้ครึ่งทางตอนนี้เราได้พบสิ่งนันเป็นยอดปรารถนาด้วยกันแล้วนี่นี่คริสฉันว่าเธอพยายามจะกลบเกลื่อนหรือปิดบังอะไรบางสิ่งบางอย่าง ที่ซ่อนลึกอยู่ในหัวใจของเธอนะใช่แล้วฉันจะกลบมันไว้เช่นนี้ตลอดไปให้สนิทตลอดทั้งชีวิตของฉันทีเดียวประโยคนั้นของคริสติน่าเป็นกระซิบที่แผ่วเบาที่สุดแล้วหัวเราออกมาเบาเบาดารินโอบเอวตอบยิ้มให้อย่างปราณีจาริมฝีปากกระซิบริมหูของอีกฝ่ายนึงว่า และฉันก็สัญญาสัญญาว่าจะไม่รื้อคน้นสิ่งที่เธอพยายามกลบเกลื่อนขึ้นมาอีกเลยขอสัญญาขอบคุณนะน้อยเธอเป็นนักกีฬาที่ถือว่ามีน้ำใจนักกีฬาจริงๆมากที่สุดฉันไม่เคยพบเห็นผู้หญิงคนไหนที่มีคุณลักษณะอย่างเธอมาก่อนเลย คริสแต่เธอก็เป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดเลยนะทั้งสองหญิงยืนเคียงกระซิบพูดซึ่งกันและกันโดยที่บุคคลอื่นๆซึ่งยืนอยู่ใกล้รอบตัวในขณะนี้ไม่มีใครสนใจได้ยินเลยเพราะมัวแต่สวนสันเป็นสุขสนทนากันอยู่ในเรื่องอื่นๆเธอไปได้แล้วละ่ะน้อยจงดูแลรักษาเขาไว้ดีที่สุดนะ เขาเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับเพื่อนมนุษย์ที่สุดสวรรค์ไม่ส่งคนชนิดนี้ลงมาเกิดในโลกบ่อยนักหรอกคริสฉันภูมิใจนะที่เธอสามารถมองเห็นคุณค่าของเขาตัวฉันเองนะ่ะได้เพียรแสวงหาและทดสอบประเมินผลมานานแล้วแล้ว แล้วคิงจักรราที่ทรงสติปัญญาตลอดจนมีพระสิริลักษ์ราวกับเทพบุตรกรีกองค์นี้ล่ะน้อยพระองค์เป็นตัวอย่างของบุรุษเพศที่ประเสริฐอีกคนหนึ่งจะ้ะและถ้าเปรียบกับเขาผู้นั้นของเธอล่ะฉันอยากจะรู้ถึงข้อแตกต่างะน้อยคริส ไม่มีใครหอกที่สมบูรณ์แบบได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแงซายนะ่ะฉลาดลึกแล้วก็เพียบพร้อมไปด้วยความสามารถในทุกด้านของเชิงชายชาตรีแต่ผู้กองอ่ะแท้ที่จริงแล้วก็คือครูของแงซายอีกทีหนึ่งฉันสรุปให้เธอได้เพียงแค่นี้แหละคริสคริสตินา่าพยักหน้าลงนิดหนึ่งอาลละ เพียงแค่นี้ฉันก็เข้าใจโดยตลอดแล้วละ่ะน้อยขอให้ฉันได้ออกตัวไว้กับเธอก่อนเป็นการล่วงหน้าเราคงจะต้องอยู่ร่วมกันในมรกรกนครแห่งนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งเบลน่ะเป็นอเมริกันแท้เปิดเผยแล้วก็ไม่ค่อยจะรู้กาลเทศะนะถ้าหากว่าหล่อนทำอะไรให้เป็นที่ขวางหูขวางตาของเธอก็โปรดจะได้ถือสาเลยนะ อย่าห่วงในเรื่องนั้นเลยคริสฉันหนักแน่นพอเสมอแล้วก็พร้อมที่จะให้อภัยหล่อนได้ตลอดเวลาฉันคิดว่าฉันพอจะมองเห็นนิสัยแท้จริงของเบลซึ่งไม่มีอะไรเลยที่จะทำให้ฉันไม่พอใจน้อยในมรกรกครแห่งนี้นอกจากความดีงามหลายๆประการที่ฉันได้พบเห็นแล้วฉันยังได้เพื่อนที่ดีที่สุดอีกคนหนึ่ง คือคุณหญิงดารินคนนี้นี่เองก็เช่นกันแหละทั้งๆที่ครั้งแรกน่ะชั้นพรั่นพรึงหวั่นไหวในตัวเธอมากนะคริสแม้เพียงแค่เห็นจากรูปเท่านั้นแหละเธอสวยเกินไปคริสดารินพูดออกมาจากใจจริงสองร้อยสามและแล้ว ราตรีแห่งการพระราชทานเลี้ยงนั้นก็สิ้นสุดลงเมื่อเวลาอันสมควรโดยไม่ถึงกระดึกเกินไปนักอันหมายถึงได้เปิดโอกาสให้ทั้งฝ่ายของเชษฐาและฝ่ายของสแตนลีย์ได้มีการพบปะเสวนาอย่างใกล้ชิดสนิทสนมกันทุกคนโดยทั่วหน้าอันมีองค์จักรราชและราชินีเมยานีเป็นองค์ประธานเสมือนหนึ่งพระองค์จะทรงล่วงรู้มาก่อนล่วงหน้าแล้ว ว่านับตั้งแต่เหยียบย่างเข้ามาในแผ่นดินนี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่มีเวลาคุ้นเคยกันมากนักเนื่องจากเวลาพบที่มีอยู่จํากัดและท่ามกลางภพปริศนากังวลยุ่งเหยิงของแต่ละฝ่ายณนะเวลาแรกพบเมื่ออรุณที่ผ่านมาจึงเปิดโอกาสให้สังสรรค์กันซะภายในค่ําคืนนี้อย่าเมื่อเมฆหมอกแข่งความกังวลทั้งหลายได้ผ่านพ้นไป ผมอยากให้พวกคุณทั้งหมดนอนหลับกันให้สบายที่สุดทรงรับสั่งปนแยมสวนกับคณะทั้งหมดก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพร้อมพระราชินีคู่พระไทยและพรุ่งนี้เราจะได้ไปดูกันที่ซากเครื่องตกปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกคุณจะต้องกระทํากันโดยเฉพาะฝ่ายของดอกเตอร์สแตนลีย์ขอให้ไปเริ่มต้นใหม่เอาในวันพรุ่งนี้เถอะ ขอรับรองว่าเครื่องมันไม่สูญหายหนีไปไหนได้หรอกมันตกที่ลานกว้างใหญ่หลังมหาเทวัลของอุมาเทวีนั่นแหละครับทุกคนก้มศีรษะลงโค้งคำนับแล้วฝ่ายผู้หญิงย่อกายลงถอนสายบวัวเป็นพระมหาการุณาธิคุณล้นเกล้าที่ทรงพระราชทานเลี้ยงให้แก่พวกเราในคืนนี้และในทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงเมตตา พวกเราทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกับว่าได้มาอยู่ในบ้านของตัวเองอเมริกันอาวุโสกราบทูลขึ้นขอให้องค์จักราธิราชเจ้าและราชินีเมญานีสงพระเจริญพระเจ้าค้าพวกข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่มีวันลืมพระมาหาการุณาธิคุณในครั้งนี้เลย เชฐานในฐานะาหัวหน้าคณะของฝ่ายไทยประกาศก้องขึ้นโชคดีแล้วก็ฝันดีสำหรับทุกคนพรุ่งนี้เราพบกันใหม่นะทรงมีพระราชดำรัสนุ่มนวลเป็นประโยคสุดท้ายเช่นนั้นแล้วก็เสด็จดำเนินไปประทับยังวอทองพร้อมกับพระราชนีและข้าราชบริพารที่ตามเสด็จมาทั้งหลายแล้วขบวนเสด็จ ก็เคลื่อนจากไปท่ามกลางการยืนเข้าแถวรอส่งสเสด็จของคณะทั้งสองฝ่ายรวมทั้งเหล่าราชมนตรีซึ่งร่วมอยู่ในงานอุทยานสมสรรทุกคนเมื่อทั้งสองพระองค์สเสด็จรับไปแล้วเชษฐาก็หันมาทางด็อเตอร์สแตนลีย์บอกยิ้มยิ้มมาว่าผมคิดว่าพวกคุณคงจะเหน็ดเหนื่อยอิรโรยเต็มทีแล้วแล้วก็คงอยากจะกลับไปพัก เพื่องานสำคัญสําหรับวันพรุ่งนี้ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็แยกกันก่อนได้เลยพวกผมเองก็อยากจะกลับไปพักผ่อนเหมือนกันสแตลลีก้มศีรษะลงรับคำดีเหมือนกันครับคุณชายทางด้านผมเองก็ยังมีอะไรที่จะต้องหารือกันอีกมากเกี่ยวกับซากเครื่องบินลานั้นเราคงจะกล่าวราตรีสวัสดิ์กันแค่นี้ก่อนสำหรับคืนนี้นะครับครับครับราตรีสวัสดิ์ครับ เราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับทั้งสองฝ่ายต่างเข้ามาจับมือร่ำลากันชั่วคราวก่อนที่จะแยกกันกลับไปยังที่พักอันแม้จะอยู่ในเขตอุทยานเดียวกันแต่ก็คนละด้านมีระยะห่างไกลกันพอสมควรระหว่างที่แยกหมู่ออกจากกันนั้นระพินก็เข้าไปจับมือมงกุฎไพรแม่ดอกฟ้าดารินของเขากระซิบบอกมาว่าผมจะกลับไปก่อนเขา ก่อนเขาผมจะกลับไปกับพวกเขาก่อนนะครับเ ด, เดี๋ยวตอนดึกสักหน่อยถ้าหากว่าทางพวกคุณหญิงยังไม่ง่วงผมจะกลับมาร่วมคุยด้วยอย่างที่พักนะครับดาริงยิ้มอ่อนหวานตอบดึงตัวเขาเข้ามาใกล้แล้วจูบเบาๆที่แก้มโดยไม่แคร์ต่อสายตาของใครอีกแล้วทั้งสิน้นขยิบตาให้นิดนึงค่ะระพินแล้วก็หย่าเผลอหลับไปก่อนละ่ะต้องม้ได้นะ ถึงคนอื่นจะหลับแล้วฉันจะคอยแน่นอนครับผมจะไปพบคุณหญิงแต่ถ้าพวกคุณพี่ทั้งหลายท่านหลับหมดแล้วผมดอดไปหาน้องสาวของท่านหวังว่าคงไม่โดนลูกซอนะครับลอนตบไหลเขาโดยแรงแล้วบอกมาว่าเขารู้กันหมดเลยเยี่ยย่ามาทำมันดัดจริตอีกเลยหมันไส้ระพินหัวเราะเบ า, เบา ถอยห่างออกมาแตะปีกหมวกวันทิยาหัดให้หล่อนและฝ่ายของเชษฐาทุกคนคริสกเบรบโบกมือกับดารินซ o u tomorrow! น no. ้ยกุ o o d กุ g h t ทั้งสองบอกมาพร้อมๆกันคนหนึ่งสุภาพสำรวมอีกคนหนึ่งร่าเริงระริกระริตามนิสัยดารินโบกมือตอบ ในแม้แต่พวกพลันพื้นเมืองทั้งสองฝ่ายต่างก็แยกกันไปตามหน้าที่ภาระที่ยังไม่หมดสิ้นของแต่ละฝ่ายซึ่งเชตฐาและอนุชายืนมองดูยิ้มยิ้มอย่างชื่นชมในความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ของระพินกับคนของเขาทุกคนส่วนดารินวางหน้าเฉยระพินน่าจะมาคุยกับเราในคืนนี้นาะ เสียงชา ย, ยันบ่นอ่อยๆอช่างก็เถอะเขายังไม่หมดภารกิจของเขาสมบูรณ์แบบเชิดฐาเป็นคนตอบแทนส่วนน้องสาวคนเล็กไม่ยอมบอกใครว่าพรานใหญ่นะ่ะแอบกระซิบกระหล่อนไว้แล้วว่ายังไงเพื่อนชายจึงเดินเร่เข้ามาใกล้นี่น้อยฉันบ่าคริสติน่าสวยมากจริงๆนะสวยกว่าเมียฉันอีก นี่นี่แต่ถ้าเธอคิดจะเปลี่ยนเมียหรือมีเมียเพิ่มแล้วก็ฉันจะฆ่าเธอซะเลยไม่ต้องร้อยเมฆ่าหรอกเพื่อนชายผู้มีฐานะเหมือนพี่ชายคนหนึ่งเป่าลมจนแก้มโป่งโอยความสวยของผู้หญิงคนไหนมันไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ฉันรักเมียแล้วก็ลูกของฉันน้อยลงไปสักหน่อยเลยนี่ว่าแต่พ่อยอดชายนายรพินของเธอ ไม่ว่าที่ไหนเมื่อไรยังไงเขาก็ไม่เคยทออทิ้งหน้าที่หญิงเขาเลยนะเอ้าเขาไม่ใช่เธอนี่ ช, ย, ชยันอ้าวอ้าบ้ชยันอุทานแล้วกระซิบมาว่า<ๆ>เพียงขอให้มีคริสอีกสักคนนะแล้วจาหัวเราะให้ฟันหักเลยถ้ารพินปันใจให้แกคริสอีกคนหนึ่งฉันจะฆ่าเธอเหมือนกัน ไม่ฆ่าเขาหรอกเพราะเธอเป็นคนภาวนาหรือให้ท้ายยุยงมันไม่ได้เกิดจากความเจตนาของเขาเองเลยดารินเน้นเสียงชัดเจนชายันเอามือตบขามาับทำตาเลและไม่กล้าพูดกระซ้าเย้าแย่อะไรอีกอรชุนแยกไปส่งคณะของสแตนลีย์ส่วนสุกรีก็ทำหน้าที่นำทหารไปส่งฝ่ายของเชษฐาจนถึงปราศาส หลังอุทยานอันเป็นที่พักสำหรับสังปานั้นทุกคนสังเกตเห็นพละตามเสด็จจักรากราชกเมยานีไปก่อนแล้วตะเท่าบุญคำกับลูกน้องอีกสามคนมีอาการในครั้งแรกเหมือนจะแยกตัวออกจากคณะของสแตนลีและตามมาขอพักอาศัยหรือยังมีเรื่องที่จะคุยสนุกสนานกับฝ่ายของเชิดไยอีกมากแต่นานอินขับไปสกก่อนยังมีเวลาอีก ที่พวกเองจะมาร่วมอยู่กับเจ้านายฝ่ายนี้เฉพาะคืนนี้นะกลับไปอยู่กับฝรั่งตามหน้าที่ก่อนไปทั้งสี่คนจึงเดินหน้าเหี่ยวตามคณะของสแตนลีไปแต่ก็ไม่วายที่จะหันกลับมาโบกมือส่งเสียงโบกเวกผู้จากัะฝ่ายลูกหาบของเชษฐาทั้งหลายซึ่งก็ล้วนเป็นญาติสนิท ก, กันในหนองน้ำแห้งทั้งสิ้น เมื่อกลับมาถึงที่พักฝ่ายของเชษฐาทุกคนยกเว้นพวกลูกหาบต่างยังนั่งรวมกลุ่มสนทนากันอยู่เพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาต่างก็ได้รับการพักผ่อนหลับนอนมาแล้วอย่างเต็มอิ่มยกเว้นก็นต่ดารินคนเดียวซึ่งคืนนี้หลอนก็ไม่มีอาการง่วงเหงาหาวนอนใดใดทั้งสิ้นเต็มไปด้วยความแช่มชื่นเปี่ยมสุขทุกคนรวมตัวกันอยู่ในถงกลาง ลางปราศาสตร์เหมือนเดิมไม่ได้แยกย้ายกันเข้าไปพักผ่อนภายในแต่ละห้องที่ได้จัดสรรไว้ให้เชษฐาชายันและอนุชาพูดคุยกันถึงสารพัดเรื่องและส่วนใหญ่ก็หันมาวิจารณ์กล่าวถึงอเมริกันทั้งสี่คนอันถือได้ว่าเป็นเพื่อนใหม่ซึ่งได้มาพบในดินแดนนี้พวกผู้ชายทุกคนยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่าคริสติน่านมีรูปโฉมและลักษณะท่าทีที่เป็นสเสน่ห์ เรียกความสนใจเป็นอย่างยิ่งและคงความเห็นตรงกันว่าหล่อนเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะลึกลับพบปะกันเพียงชั่วระยะเวลาเพียงเล็กน้อยต่างก็วิเคราะห์อเมริกันทั้งสี่คนและเชิดบุตรได้ถูกต้องหมดว่าใครเป็นอย่างไรนี่โชคดีนะที่มาพบกันในมรกรกรครแห่งนี้นี่ถ้าพบกันกลางทางไม่รู้ว่าจะมีการยิงกันเพื่อแย่งตัวรพินหรือเปล่านะเนี่ย ชัยยันว่าอนุชาสันศีสะชา้าคงไม่หรอกครั้งแรกน่ะเราหวันไปว่าน่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นแต่พอได้มาพบเห็นตัวจริงรู้จักอุปนิสัยใจคอนถ่องแท้และแบบนี้ฉันมีความเห็นว่าพวกนี้นะครบได้ทุกคนนะแม้จะตามทันกันในป่าก็เชื่อว่าจะพูดจาตกลงกันได้ ด, ดีคงจะไม่เกิดเรื่องอะไรที่เป็นปฏิปกกักษ์กันหรอกเฮ้ยก็ไม่แน่หรอก เพื่อนเขาแย้งมาพวกนี้นะถือว่าปฏิบัมาปฏิบัติหน้าที่รับสุดยอดแล้วก็เป็นงานของ CIA โดยเฉพาะเขาคงไม่ต้องการให้พวกเราตามมาเพื่อรู้เห็นอะไรด้วยหรอกแต่นี่ดีที่อะไรต่ออะไรมันก็ล่วงเลยมาถึงขนาดนี้แล้วมันก็ต้องเป็นมิตรกันอยู่วันยังค่ำพบในป่าระหว่างทางเขาอาจจะพิจารณาว่าพวกเราเนะ่าเสือกสอดเข้าไปรู้ในงานของเขา แล้วก็พยายามจะทำลายแผนงานของเขาที่ถือว่าสุดยอดก็ได้แกแล้วก็ชอบมองอะไรในแง่รายเสมอเห็นมองในแง่ดีอยู่สองจุดเท่านั้นแหละคือรูปร่างของเบรแล้วก็ใบหน้าของคริสเชิดฐาติงมาะชายันหัวรอ ก, กักเออจริงจริงยอมรับวะ่ะแต่ฉันก็ไม่กล้ามองนานนัหรอกเจ้าหนูเชิดบุ๊ดหนไงคอยรอบสังเกตฉันอยู่ตลอดเวลา ซ้ำยังเจ้าคีตในีคนนึงรู้สึกว่ากลุ่มเขาเจะหวงผู้หญิงของฝ่ายเขาอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะ่ะไอตอนที่กลางเขาไปพูดสนิทสนมอยู่กับคริสและเบนนะ่ะฉันเห็นนายคีตกับไอ ห, หนูคางใสเชิดบุนะ่ะจ้องเขม็งทีเดียวว่าไงไม่ลองจีบคริสดูหน่อยเลยในกลางอนุชาไม่ตอบเพียงแต่ยิ้มอย่างแปรใจจากความหมายพร้อมกับยักไหลดารินแหวมาเ บ, บาๆว่า หลือไหลนะ่ะเชยันฉันไม่อยากให้เธอพูดอะไรเป็นเชิงนินทาผู้หญิงลับหลังนี่ฉันจะฟ้องเมนะเมื่อกี้เนี่ยตอนจะลาจากกันฉันเห็นเธอจูบเบนด้วยซึ่งแม่นั่นก็เอียงแก้มมาให้เธอหอมสะดีดเชียอ้าวอ้าวบลายสิอาตมาตาซอกแสกแล้วเกินนะน้อยนี่ประมาณเพียงไม่เกินหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้น ขณะที่ฝ่ายของเชตฐาอย่างนั่งคุยกันอยู่ร่างเพรียวแกรง่งเกรงของระพินไพรวันก็ปรากฏตัวโผล่เข้ามาทางประตูด้านหน้าทุกคนเห็นเข้าก็ดีใจร้องทักกันแซดเขายิ้มและเดินเข้ามาหยุดสุดตัวลงนั่งร่วมกาวงด้วยนี่ไม่นึกนะว่าคุณจะย้อนมาหาเราในคืนนี้อีกอนุชากล่าวขึ้นปนหัวเราะขณะที่ยื่นซองบุหรี่ไปให้ ครับพวกนั้นก็พากันพักนอนหลับหมดแล้วละ่ะคงอ่อนเพลียกันมากแล้วครับก็เลยแอบย่องหนีมาสิดารินแกล้งพูดขึ้นลอยๆก็ไม่ได้แอบหนีมาหรอกครับผมก็บอกพวกเขาตามตรงคือบอกว่าให้นอนหลับพักผ่อนกันให้สบายที่สุดไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลอีกแล้วแล้วก็ขออนุญาตไว้ว่าผมไม่จะมาคุยกับพวกเจ้านายเก่าที่นี่ซึ่งพวกเขาก็อนุญาตครับ ยังฝากบอกมาเลยว่าความจริงก็อยากจะมาคุยด้วยเหมือนกันแต่สำหรับคืนนี้นะ่ะพลียเต็มทีทุกคนสะบักสะบอมกันมามากแล้วก็หวังว่าพรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปคงได้มีโอกาสสนทนาใกล้ชิดกันเพิ่มขึ้นนะครับเป็นไงพวกนั้นว่าไงมั่งล่ะคุณเชิดหาถามมายิ้มยิ้มพวกเขาก็ประทับใจทุกอย่างในมรกรเ น, นี่แหละครับตั้งแต่ฝ่ายของคุณชายทุกคน รวมทั้งกษัตริย์จั ก, กรราชและก็ราชินีสรุปก็คือมีแต่ความปราบปรื่มยินดีไม่มีใครไม่พอใจอะไรสักอย่างเดียวทุกคนเป็นสุขดีครับแน่ระดารินถวนสวนถามมาหน้าตาเฉยมองหน้าเขาแล้วซ่อนยิม้มระพินฝืนหัวเราะผมก็เข้าใจเช่นนั้น่ะเพราะเห็นมีความสุขกันทั่วหน้านี่นี่ถามจริงฮะระพิน พวกเขาจะมีความสุขกว่านี้ไหมถ้าคุณนํามาถึงมรกรณครแห่งนี้มาพบทุกสิ่งทุกอย่างตามต้องการแล้วโดยไม่มีพวกเราเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยคือมาแล้วไม่ได้พบว่าพวกเราก็มารอคอยอยู่ก่อนชัยยันพูดอย่างคนซอกแซกแต่ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนักทว่าก็ทำเอพรานใหญ่เริ่มรู้สึกอึอดอัดเล็กน้อย เอ้ผมก็ไม่คิดว่าพวกเขาจะมีจิตใจที่คับแคบถึงเพียงนั้นหรอกนะครับก็เห็นทุกคนแสดงความยินดีที่พบฝ่ายของคุณชายและพูกกับผมในแง่ดีงามเท่านั้นทุกคนชมว่าคุณชายเชษดาเป็นสุภาพบุรุษทุกระเบียดนิ้วคุณชายอนุชาเป็นนักต่อสู้นักผจญภัยชั้นเยี่ยมและโดยเฉพาะอเมริกันสาวสองคนนั้นเาชมว่าคุณชายยันนรูปหลอ่อคุณสนุกนะครับฮะ ชัยยันร้องลั่นออกมาแทบกระโดดขึ้นทั้งตัว ท, ทั้งทั้งที่นั่งขัดสมาธิอยู่ระพินวางหน้าขึงขังพยักหน้าจริงๆนะครับคุณชัยยันที่เป๋งสิอดีตนายทหารปืนใหญ่ครางออกมาดารินสกิดแขนเข้ามาเบาๆว่าอย่าเป็นนั้นขาดนะจาไว้ถึงเมไม่ได้อยู่ที่นี่ฉันยังอยู่ทั้งคน ชยันยิ้มแห้งๆบอกอุบอิบอุบอิบมาว่านี่นี่จะกันท่ากันไปถึงไหนนี่ยใยน้อยมันไม่เกี่ยวอะไรกับผลได้ผลเสียของเธอสักนิดนี่เอางี้ดีกว่าฉันยกให้กับพี่ชายเธอสองคนมาเสิแล้วกันนี้คนละคนครบคู่พอดีไงอนุชาหันมามองหน้าพร้อมกับหัวรอกือๆฮนี่นี่นี่ฉันกับพี่ใหญ่ไม่มีความกระตือรือร้นอะไรในเรื่องนี้หรอกชยัน สำคัญแกน่ะแหลววะว่าอย่าให้เด็กยางเชิดบุญมันถอนงอกเอาเราน่ะมันแกแล้วซ้ำยังมีไอ้ยักษ์คีตในอีกตัวนึงรับรองมันจับนายทุ่มดีเดียวคอหักว่ะทั้งวงหัวเราะ ก, กันอย่างคลื่นเครงที่สุดรวมทั้งระพินผู้หน้าตายก็ออยังอดไม่ได้ที่จะกัดริมฝีปากกัน้นหัวเราะอยู่กึกกึกไอ้ไม่ทราบว่าทุกท่านกาลังจะพักผ่อนกันหรือเปล่านะครับ ผมโผล่เข้ามาจะเป็นการรบกวนหรือเปล่าเนี่ยเขาเอ่ยขึ้นนี่รพินคุณมาก็ดีแล้วละ่ะแล้วมีเรื่องอะไรต่ออะไรที่จะคุยกันอีกเยอะทีเดียวยังคิดเลยว่าคืนนี้นะภายหลังจากแยกกันที่งานนั่นแล้วคุณนั่นน่าจะหาโอกาสแวะมาพบเราบ้างไม่อยากลับไปนอนหลับเลยเชิดถามว่าดารินก็แทรกมาทันทีอ๋อลองไปกับพวกนั้นแล้วไม่โผล่มาพวพวกเราที่นี่ในะคืนนี้สิคะ น้อยจะตามไปดึงหูมาให้ได้ต่อให้นอนหลับอยู่ก็ตามพรานใหญ่กระพริบตาทีอย่างงุนงงในขณะที่คนอื่นๆก็รู้สึกประหลาดใจในคำพูดของน้องสาวคนเล็กอา้าวแล้วนี่คุณหญิงไม่ได้เรียนให้ท่านทั้งหลายทราบตามที่ผมบอกไว้หรอกเหรอครับว่าผมจะแค่ไปส่งพวกเขาซะก่อนแล้วก็จะย้อนกลับมาหาพวกเราที่นี่อีกครั้งเนึง่งไม่ได้บอกหรอก ดารินพูดสั้นๆหน้าตาเฉยแล้วลุกขึ้นเดินมานั่งหย่อนกายลงเบียดชิดไหลเขาต่อหน้าพี่ชายทุกคนที่อยู่พร้อมหน้ากันในขณะนี้พลางขีดไลเตอร์ในมือขึ้นประคองไปที่บุรีซึ่งคาบค้างอยู่ในปากเขากล่าวต่อมาว่าเอาจุดจะเห็นสูบบุรีใบตองแห้งของบุญคำอยู่ตลอดเวลาทุเรโ่ ระพินคลางอ้อมแอมอยู่ในลําคอรู้สึกกระดากเล็กน้อยที่ดารินแสดงความสนิทสนมกับเขาอย่างเปิดเผยโดยไม่แคร์ต่สายตาของพี่ชายซึ่งนั่งล้อมวงกันอยู่เบื้องหน้าเขาพยายามจะกระดดให้ห่างไหลหล่อนออกมาดารินก็เลยเอียงตัวเข้าไปเอาไหลกระแทกทำเอาระพินเอียงกระเทกเร่เกือบล้มไปเชษฐาอนุชาและชยยันขณะนี้กลับพากันเห็นเป็นเรื่องขำขัน มากกว่าที่จะเห็นเป็นเรื่องขัดลูกในตาดาริงแย่ไฟจากไลเตอร์ส่งไปให้เขาอีกระพินจิงจำต้องจุดแล้วก็พูดแก้เกลือออกมาว่าบุรีผมกับพวกนั้นนะมันหมดไปนานแล้วละ่ะเหลือแต่ซิ ก, ก้าตัวเล็กๆผมก็ไม่ถนัดซุปซิก้านี่อนุญาตนะน้อยถ้าจะลงไม้ลงมือกระพินในขนาดนี้นะ่ะรับรองว่าจะไม่ห้ามหรือว่าอะไรเธอเลย ข้าที่ทำให้น้อยต้องซุ่มซานติดตามมาแทบตายซ้ำยังจะพลอยล่าเอาพี่ๆมาตายตามไปด้วยอนุชาเอ่ยขึ้นปนหัวเราะเบาๆก็อยากจะลงมือเหมือนกันแหละครับพี่กลางแต่เห็นสารรูปแล้วอดสมเพศไม่ได้สมัยก่อนมากับพวกเราก็ไม่เห็นผอมโซอย่างนี้นี่ขนาดมีผมทองประคองอยู่ข้างนึงผมแดงหิ้วปีกอีข้างนึง ยังเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเลยเอาเอาเอาพูดได้ดี น, น้อยๆระเดียวเข้าตัวละ่ะชายันชี้หน้าร้องออกมาทำไมดารินร้องถามมาแล้วเธอหมายความว่าไงกันเพราะแม่ผมทองแนบซ้ายแม่ผมแดงแนบขวางนะ้ถึงทมอัลพินของเรานะ่บักโรกถึงยังเงี้ยไอความหมายของเธอนะ่มันแปลยังงั้นนะ่จะบอกให้ ดารินหน้าแดงเงือไลเตอร์ตะหวาดแวกเฉยๆไปชยันเดี๋ยวจะให้นี่คว้างหน้าแตกเลยฉันหมายถึงว่าจะไม่มีใครเลี้ยงดูหรือดูแลรักษาพยาบาลเขาดีกว่าฉันและพวกเราทุกคนหรอกแปลความหมายลึกดีนะขณะนั่นเองนากำนันรับใช้ประจำปราศาสตร์ที่พักก็เดินผ่านประตูทางข้าวด้านหน้าเข้ามาอย่างสงบสงเงียม แล้วเดินตรงเข้ามาหาทุกคนทั้งหมดหันไปมองเป็นตาเดียวเมื่อมาถึงนางงามผู้นั้นก็สุดกายลงคุกเขา่ารายงานขึ้นว่ามีชาวป่าสองคนขออนุญาตที่จะเข้ามาพบกับท่านพรานใหญ่ระพินไพรวันเจ้าค่ะทั้งหมดชะงักงันไปหมดจ้องหน้านางกำนันแล้วหันมามองหน้ากันเองอยู่ไปมาอย่างสุดที่จะงุนงงชาวป่าเหรอ พรานใหญ่ทวนคำขมวดคิ้วถามเสียงต่ำๆมาว่าใครอ่ะอืมคนหนึ่งเป็นเผ่ากระเลี่ยงอีกคนหนึ่งเป็นเผ่าตองสู่เจ้าค่ะท่านจาอนุญาตให้เข้ามาพบได้หรือไม่เจ้าค่ะกลุ่มของเชษฐาทั้งหมดอุทานามาพร้อมกันหมดว่าว้าวส่วนระพินวางหน้าขรึมสนิทพยักหน้าลงช้า พร้อมก็บอกมาเรียบๆว่าไปบอกไอ้เกรียงพเนจรไอ้ตองซูนั่นให้เข้ามาได้อ๋อบอกมันด้วยนะว่าถ้ามันสองค น, นาขาดอัฐบริขารประจำตัวแม้แต่ชิ้นใดชิ้นหนึ่งของมันไปแล้วก็ระบินไพรวันจะไล่เตะมันออกไปจากที่นี่ว่าให้วิ่งไม่ทันดเดียวเอาล่ะจะไปบอกมันตามที่เราสั่งและให้มันเข้ามาได้แล้ว นา่นันผู้เข้ามาบอกกระแสความผู้นั้นค่อยๆกระถดถอยห่างออกไปและลุกขึ้นเดินหายลับจากสายตาไปทางมุมด้านหนึ่งของประตูทางเข้าอึดใจต่อมาทำกางสายตารอคออ ย, ย่างเงียบสงบของทุกคนในห้องนั้นร่างสองร่างก็ก้าวลับขอบบังของประตูใหญ่มาปรากฏยืนเคียงคู่กันและสนิทนิ่งอยู่ที่นั่นชั่วขณะ ร่างหนึ่งสูงใหญ่ตระงานงามอีกร่างหนึ่งผอมบางและเตี้ยกว่ากันโดยมีศีสษะสูงเพียงแค่ช่วงไลของผู้ที่ยืนอยู่เคียงเท่านั้นทั้งหมดของฝ่ายเชษฐารวมทั้งระผินแม้จะรู้รหัสความในมาก่อนตั้งแต่นางกำนันเข้ามาบอกข่าวก็ยังอดไม่ได้ที่จะต้องจ้องขมิงอย่างตะลึงระคนสุดสนเท่ชาวป่าที่มีร่างสูงใหญ่ อยู่ในชุดของกระเรียงพเนจรสีดำล้วนอันประกอบด้วยกางเกงขารัดที่ถูกตัดสั้นเพียงครึ่งหน้าแข้งเก่าคร่ำสูมเสื้อกั๊กเอวลอยทับเสื้อยืดคอกลมสีดำกระดางเป็นคราบริ้วรอยสกปรกต้นแขนอันเปลยขึ้นไปถึงไหล่ซึ่งอุดมไปด้วยมัดกล้ามผูกรัดไว้ด้วยเชือกถักสีขาวเหมือนจะเป็นเครื่องรางห้อยคอด้วยเชือกร่มมีเขี้ยวเสือติดอยู่ หน้าผากใกล้ชิดเชิงผมคาดไว้ด้วยแถบผ้าแดงไหลขวาสะพายย่ามเก่าสีน้ำตาลมัวและในมือซ้ายถือปืนกระบอกเก่าคร่ำคร่าแบบคารเเวี่ยงอันเป็นวินโมเดล1894สขนาดจุดสสทับ 40. สีายร่างเล็กที่โผล่เข้ามาปรากฏตัวพร้อมกันก็คงอยู่ในชุดเดิมของพรานชาวตองสู่ คือการเกงครึ่งแข้งแบบชาวเขาเสื้อดำกระดุมถักขาดรุ่งริ่งเกือบจะเปิดอกตลอดบนหัวโพวกผ้าขาวมาสะพายย่ามไปอีกลักษณะหนึ่งในมือถือปืนลูกซองเดียวนกนอกบรรจุเดียวทีละนัดเช่นเดียวกับที่ทุกคนเคยเห็นมาก่อนชนิดจำได้อย่างไม่ผิดว่านั่นคือเจ้าสางป้าขนานแท้ดั่งเดิมไม่ผิดเพี้ยนไปเลย ทั้งสองคนอันเป็นคนใช้ใกล้ชิดติดตามมาในการเดินทางครั้งอดีตแงาสายและสางปาคนแรกเข้ามาสมัครเป็นลูกหาบกับระพินตั้งแต่คืนก่อนออกเดินทางที่หนองน้ำแห้งส่วนอีกคนหนึ่งเป็นคนรับใช้ประจำตัวของสามีพัญญาชาวเยอรมันตระกูลฮอฟมันซึ่งที่สุดภายหลังจากที่ด็อเตอร์ฮอฟมันได้เสียชีวิตไปแล้วสางปาก็ติดตามมาเรีย ร่วมมากับคณะของเชษฐาในครั้งกระนั้นใครจะจ้องมองดูคนทั้งคู่และมีความรู้สึกนึกคิดไปในทํานองไหนยังไงก็ตามแต่สำหรับรพินและดารินในขณะนี้แม้จะไม่ได้นัดกันไว้ก่อนเลยทั้งคู่ต่างพินิษสภาพเท่าที่มองเห็นอยู่กับตาในขณะนี้จับนิ่งไปที่แงซทรายตาไม่กระพริบเหมือนจะสแสวงหาความแผลเพี้ยนไปจากเดิม เท่าที่เคยเห็นโดยเฉพาะจากการเห็นภาพในนิมิตฝันตลอดระยะเวลาที่เดินอยู่ในป่าครั้งนี้และต่างก็รำพึงบอกกับตนเองอยู่ภายในตามลำพังว่าไม่มีอะไรแตกต่างกันไปเลยจนนิดเดียวแง่ส า, ายที่เข้าไปปรากฏในมโนทวารของระพินก็ดีหรือเข้าไปปรากฏให้เห็นในภาพนิมิตของดารินก็ดี มีภาพลักษณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเช่นที่คลองจักสุแลไปพบตามความเป็นจริงในขณะนี้ทุกประการด้วยสีหน้าที่เรียบเป็นปกติเหมือนชาวป่าธรรมดาทั่วๆ่วไปหรือตามบุคลิกของแต่ละคนอันเป็นลักษณะดั้งเดิมคนทั้งคู่พากันเดินช้าๆลงเข้ามาอย่างคณะของเชิฐาทั้งหมดเมื่อเข้ามาถึงในระยะอันห่างพอสมควร เจ้ากระเหียงพเนจรและเจ้าสางปลาชาวตองสูก็พากันสุดตัวลงนั่งคาตมาตรงหน้าช้าๆสำหรับเงยายนั้นวางปืนบัสตันลงข้างๆกายและก่อนที่ใครหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเอ่ยขึ้นยังไงก่อนทมกลางความเงียบนั่นเองระพินไพรวันก็พูดขึ้นด้วยเสียงห้าวต่ำของเขาได้ยินไปทั่วว่าเีย ทันนายพูดขึ้นว่าผมรู้ข่าวว่าผู้กองจะเดินทางกลับออกไปยังโลกฟิดศิวิไลไกลโพนเบื้องหน้านนอนจึงมาขอสมัครเป็นลูกหาบติดตามไปรับใช้ด้วยถ้าพูดอย่างนี้แล้วก็รู้ไว้ด้วยนะว่าคำตอบของฉันและเจ้านายทุกคนก็คือจงเป็นจอมคนอยู่ยังมรกรนครแห่งนี้ตลอดไปเทดเพื่อดำรงไว้ซึ่งทศพิรราชธรรม อย่าได้คิดกลับออกไปสู่โลกภายนอกอันเต็มไปได้วยความสกรปรกโโมมอีกเลยเพราะแกทั้งคู่ได้พระจากหลุดพ้นออกมาได้แล้วริมฝีปากเป็นกรีบกระจับคู่นั้นแย้มกว้างออกไปจนเห็นฟันขาวทั้งสองแถวอันเป็นอาการยิ้มของแงซรายที่ทุกคนจำได้อย่างติดตาและไม่คิดว่าจะได้มาเห็นอีกเลยตลอดชีวิตนี้ มนุชานั้นเพียงแต่จ้องมองดูเฉยๆอยู่ด้วยความประหลาดใจตื่นเต้นเท่านั้นส่วนเชษฐาชายันซึ่งคุ้นเคยกับตาและประทับอยู่ในความทรงจำดีอยู่ก่อนแล้วหันหน้ามองกันเองไปมาสลับกับการหันไปจ้องแง่ทายพลางอุทานออกมาว่าเฮ้ยอะไรกันนี่ไม่ได้ผิดไปจากเดิมที่เราพบกันครั้งแรกเลยจนนิดเดียวนะแม้แต่รอยยิ้มชนิดนั้น พวกลูกหาบทั้งหลายที่พากันล้มตัวลงนอนกันไปแล้วแต่คงจะยังไม่หลับสนิทนักลืมตาขึ้นมาเห็นก็เฮือฮ่าลุกขึ้นแล้วพูดอะไรกันแซดตางครู ก, กันเข้ามาทําท่าเหมือนจะกลุ่มรุ ม, รมล้อมอย่างปีติยินดีขีดสุดแต่แล้วก็ชะ ง, งักพากันลงนั่งล้อมวงอยู่ห่างๆนานอินนะ่ะส่งเสียงตะโกนออกมาว่าไอ้แง้ไส้ไอ้สางป้านี่เองสองคนแน่เลย สางปานั้นภายหลังจากนั่งลงแล้วก็ทำหน้าเป็นสากกระเบือดินอยู่เหมือนเดิมแต่ริมฝีปากมุบมิบเหมือนจะบ่นรำพึงอะไรส่วนเจ้าหนุ่มพระเนจรแง่ทรา ย, ายนะหันไปยิ้มโบกมือให้กับทุกคนแล้วหันกลับมาทางคณะเจ้านายตามเดิมเสียงทุ้มลึกในลำคอกล่าวขึ้นกระพินว่าไงผูกกอง ม, มีความจำได้ดีเหลือเกินนะ จำได้แม้กระทั่งประโยคแรกที่ผมเริ่มต้นว่ายังไงในการมาขอสมัครเป็นคนใช้ของคณะเดินทางในครั้งกรนนั้นผมกระสางปาไม่ได้คิดจะเล่นตลกอะไรกับคณะของท่านทั้งหมดในขณะนี้หรอกครับผมรู้ว่าทุกท่านคิดถึงแง่ทรายและสางปามากกว่าที่จะคิดถึงจากกาักราธิราชอันเป็นเจ้าแผ่นดินแห่งอาณาจักรนี้รวมทั้งคงอยากจะเห็นสางปาในสภาพเดิมด้วยอย่างน้อยก็อีกสักครั้งนึง่ง เราสองคนจึงขอมาพบพวกท่านในคืนนี้ในลักษณะของอดีต ท, ที่เราเคยเป็นเพื่อเตือนระลึกเพื่อเป็นการย้ำให้ท่านเข้าใจได้โดยท่องแท้ว่าไม่ว่าเหตุการณ์จะผันแปร ى, เปลี่ยนแปลงไปยังไงเราก็ยังคงเป็นแงซรายและสางปาสำหรับเหล่าท่านทั้งหลายอยู่เหมือนเดิมครับนี่คือแก่นแท้ของความจริงครับ เมื่อกล่าวแช่มชาดังนั้นแล้วแง่าสายก็หันไปบอกกัะหนันอินและพวกพรานลูกบ้านหนองน้ําแห้งทั้งหลายว่าลุงอินข้าก็คือแง่าสายของลุงคนเดิมนั่นแหละแง่าสายที่ลุงเอาไปฝากพระทุดงให้เลี้ยงไว้แล้วพอแง่าสายโตขึ้นเราก็เคยเดินป่าหาสัตว์หาของป่ามาด้วยกันโดยลุงไม่เคยรู้หรือจําได้เลยว่าข้านะ่ะคือเด็กน้อยอนาถาที่ลุงเคยอุปการะเอาไว้ ส่วนพวกเจ้าทั้งหลายอันเป็นชาวบ้านหนองน้ำแห้งของพรานใหญ่ระพินข้ารู้ว่าพวกเจ้าจำข้าได้ดีเพราะนานทีปีหนข้าก็ผ่านเข้าไปในหนองน้ำแห้งไปขออาหารขอที่พักพวกเจ้าซึ่งก็ได้รับความปรานีจากพวกเจ้าเป็นอย่างดีจนคุ้นหน้ากันทุกคนเดี๋ยวนี้คนนี้ที่นี่และก็ตรงนี้ขอใหญ่ทุกคนคิดว่าข้าเป็นใครอื่น นอกจากแง่ทรายของพวกเจ้านะพวกลูกบ้านหนองน้ำแห้งทุกคนเ hey! ฮขึ้นส น, นันและส่งเสียงร้องทักทายทั้งสองอยู่ข่มทำท่าจะกรูกันเข้ามาอีกแต่นันอินยกมือปรามไว้อนุญาตเพียงให้พวกนั้นพูดจาด้วยแต่ไม่ยอมให้ใครถือวิสาสะเข้าไปใกล้ชิดพระเจ้ากรุงมรกรนครในคราบของแง่ทรายคนดงดาริน เทพาและชยันปลาปลื้มจนน้ำตาซึมขอบตาไปอีกครั้งเป็นครั้งที่สองหลังจากที่ได้พบเห็นพระเจ้ากรุงมรกฎนครในมหาสุสานเมื่อบ่ายของวันนี้ขณะที่พระองค์เสด็จออกจากการเข้าสมาธิฌานและดำเนินตรงเข้ามาตรัสทักทายด้วยอนุชาหนหัวเราะออกมาเบาๆพลางเอ่ยถามมาเป็นประโยคแรกว่านี่ นายทั้งสองคนน่ะเก็บชุดเก่าดั้งเดิมของนายไว้ได้ดีมากนะพวกเราไม่เคยคิดเลยนะว่าจะได้เห็นแงซายกระสังปลาตัวจิกในสภาพเดิมกันนี่ก็ต้องนับว่าเป็นบุญตาดีใจจริงๆที่เห็นทั้งสองคนในชุดนี้ส่วนชัยยันก็บอกมาว่าโชคดีมากนะที่นายสองคนมาพบพวกเราในชุดนี้โดยไม่มีเจ้าพวกลิงโมนสี่ตัวของพรานใหญ่ระพินอยู่ที่นี่ด้วย ไม่งั้นในพวกนั้นคงจะช่วยกันเคกบาลหรือเตะนายคนละปาบแล้วละ่ะไปด้วยความดีใจและความรักสนิทของพวกมันไงเงาซายยิ้มยิงฟันอยู่ตามเดิมขณะ น, นี้ความเป็นจักราธิราชเจ้าแห่งมรกฎนครมิได้หลงเหลือให้ใครเห็นเลยนอกจากเงาซายและเงส า, ายที่ทุกคนเคยใช้งานอย่างเดียวเท่านั้นทั้งอากับกิริยาสีหน้าและแววตา ตรงกันข้ามกับสางปาแม้ผู้จะถูกบังคับให้สวมใส่ชุดเดิมของตนมาและเข้ามาปรากฏตัวอยู่หน้าที่นี้ด้วยก็มีอาการอึดอัดระดักระเดิดยังไงพี่กนแต่เจ้าสางปาเป็นคนหน้าตายอยู่แล้วจึงไม่สู้จะมีใครสังเกตเห็นอาการนั้นนักนอกจากดารินและระพินที่ยิ้มยิ้มอย่างจับสำรวจอยู่เท่านั้น มีอะไรที่ผมผิดเพี้ยนไปจากไอ้จอมกะล่อนคู่ปรับเดิมของผู้กองมั่งไหมล่ะครับอดีตคนดงหันไปถามจอมพรานยิ้มยิ้มรบพินหัวร่อฮือือแล้วก้มศีรษะลงนิดนึงเก่งมากนี่ไม่มีอะไรเพี้ยนไปจากเดิมเลยถ้าแกเป็นนักสแสดงแล้วก็ฉันว่าระดับตุ๊กตาทองทีเดียวไม่ว่าจะในบทของจักรราศหรือบทของแง่ทรายตามปกติระหว่างที่ฉันเดินป่ามาในครั้งหลังเนี่ย ฉันก็เห็นแกอยู่แทบจะตลอดเวลานะไม่ว่าจะในยามเจ็บป่วยหรือยามเคลิ้มหลับไอสารรูปตลอดจนเครื่องทรงประจำตัวของแกทุกสิ่งทุกอย่างก็ครบถ้วนอย่างนี้แหละจนฉันก็อดประหลาดใจไม่ได้แม้กระทั่งส่วนปริย่อยละเอียดที่สุดเป็นต้นว่าไอได้สายสินดำปู้ปี้ที่แกรัดต้นแขนของแกไว้ตลอดเวลาฉันนึกว่าแกจะลืมแกก็ยังอุตส่ามีไหมหเห็นจนครบนะ ใช่ฉันก็มองเห็นเธอเหมือนที่ระพินบอกนั่นแหละดารินร้องลั่นมาอีคนพร้อมกระตบมือชอบใจเพราะอย่า ง, งั้นนี่ผมก็รอดตัวไปได้แล้วผมก็รู้ว่าผู้กองน่ะรอที่จะไต่ผมอยู่ถ้าผมโผล่มาพบในฐานะของแง่ทรายแล้วเกิดว่ามีอัฐบริขารชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่ผมเคยใช้และผู้กองก็จำได้มันเกิดขาดหายไปผู้กองก็คอยจ้องจับบิดผม คอจ้องแม้แต่อยู่ในภาวะผวัาจิตและแม้ในขณะที่ผมไปพบผู้กองระหว่างตกอยู่ในภาวะผวัาจิตผมก็ยังขาดความเป็นเงซ า, ายที่แท้จริงไปซะไม่ได้ผมต้องเพ่งระลึกอยู่นานทีเดียวไม่ให้ตัวเองลืมหรือตกหล่นสิ่งใดไปนี่คิดยังไงขึ้นมาเนี่ยเงาทายถึงได้ไปชักชวนสั่งตาให้มาพบพวกเราในลักษณะดั้งเดิมแบบเนี่ยท่านหัวหน้าคณะถามมายิ้มยิ้ม อย่างสุดที่จะแสนรักชื่นชมพลางก็เอื้อมือมาลูบที่สีสังอันรัดพันไว้ด้วยแถบผ้าแดงนั้นเบาๆในายใหญ่ครับนับตั้งแต่เราได้จากกันที่ปลายถนนพระศิวะในครั้งนั้นแล้วน่ะผมก็คิดถึงนายใหญ่นายหญิงผู้กองและพวกเราทุกคนจนบอกไม่ถูกนะครับผมกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่หลายวันทีเดียวแม้ว่าจะได้ประชาชนและแผ่นดินคืนมาแล้ว และแม้แต่ว่าจะมีเมยา น, นีอยู่เคียงข้างก็ตามแง่ทายพูดออกมาจากแก่นใจจริงรัคนไปได้วยรอยยิ้มหันสามองระไปยังใบหน้าของเจ้านายเก่าแตละคนแล้วมาจับนิ่งอยู่เฉพาะที่รพินไพรวันผมมาพบท่านทั้งหลายที่นี่ในคืนนี้อีกครั้งหนึง่งขอย้ำนะครับว่าผมมาในนามของแง่ทายไม่ใช่ในนามของจักรราชซึ่งเสด็จเข้าพระที่ไปแล้วครับ เอา้าแล้วทําไมไม่ชวนแม่เสือดาวแห่งกองทัพประชาชนเมยานีในชุดนายกองโจนมาด้วยละ่ะเธอผู้นั้นก็มีอดีตกับพวกเราเหมือนกันนี่ดารินถามขึ้นยิ้มยิ้มแง่สายสายหน้าชา้าช้ายิ้มฟันขา่าเมยานีไม่ได้มีอดีตในการทุกข์ยากลําบากกับพวกเรามาในตอนเดินป่าเพราะฉะนั้นเธอไม่เกี่ยวข้องด้วยแต่เจ้าสางปลาขี้ลิงคนนี้นะ่ะใช่ครับ อ๋อก็เลยแอบหนีเมียมาหาพวกเราว่างั้นเหอะ ท, ทั้งทั้งที่คืนนี้แกก็น่าจะอยู่กับเมียให้สาสมกับที่แยกกันไปจําศีลภาวนาซะนานช ย, ยันดักคอมาบนหัวเระาะแงสายพลอยหัวเราะตามไปด้วย <c oughs> พระธุดงที่เคยเลี้ยงผมนะ่ะท่านสอนไว้ครับก่อนที่แงาสายจะพูดจบรพินก็ชี้หน้าสวนมาได้ทันทีว่านี่นี่นี่ หยุดไอ้ลูกไม้เก่าๆข้างแกเสิทีได้แล้วแง่ทรายคราวใดที่แกขึ้นต้นโดยประโยคที่ว่าพระทุดงอ่ะฉันเป็นต้องปวดขมับจี๋ขึ้นมาทุกทีว่ะทุกคนหัวรอคลืนขึ้นรวมทั้งตัวแง่ายด้วยยกเว้นแต่สางปาคนเดียวที่นั่งทาหน้าที่ทื่องออยู่นั้นอินเห็นหนาการอึดอัดอึดอัดของอดีตคนใช้ของมาเรียดังนั้นก็เอื้อมมือมาจับแขนสางปาดึงออกมา ให้เข้ามาร่วมหมู่กับพวกครานพื้นเมืองซะเพื่อไม่ให้ต้องนั่งเคียงคู่กับสมเด็จพระเจ้ากรุงมรกนกนครในคราบของแง่สายเช่นนั้นซึ่งสางปาก็ถอนใจออกมาได้โล่งอกโดยปล่อยให้เจ้าอดีตกระเหี่ยงพนเนจรนั่งขัดสมาธิอยู่กลางวงของเจ้านายตามลำพังคนเดียวผู้กองยังมีอารมณ์ฉุนเฉียวขี่กโกรธกี่รำคาญแง่สายอยู่เหมือนเดิมนะ เงาทายรักที่จะยั่วผู้กองก็เพราะเห็นจุดอ่อนในเรื่องนี้แหละเออสิจนกระทั่งเดี๋ยวนี้แกก็ยังไม่วายตั้งท่าจะมายั่วโทโสฉันทั้งทั้งที่ตอนนี้ฉันก็อารมณ์ดีขึ้นมากแล้วนะนผู้กองก็อย่าทําเป็นขี้แสแกโทโสไปนักสิเงาทายแสดงบทบาทของเขาได้เหมาะสมในฐานะเงาทายคนเดิม แต่คุณก็ไม่เห็นจําเป็นจะต้องแสดงบทเป็นตาพรานขี้เก๊กไม่เข้าเรื่องคนนั้นเลยนิดารินตบไหล่เขาโดยแรงพร้อมกับบอกมาเกือบจะเป็นเสียงเกลียวกราดเข้าใส่ระพินเป่าลมพลูออกจากปากคุณหญิงก็เหมือนกันน่ะเลิกเล่นบทเดิมงัดข้อขัดคอกับผมอยู่ตลอดการได้แล้วปล่อยให้แง่ทรายมันแสดงบทเก่าเป็นคนเดียวดีกว่านะผมก็จะดูเหมือนกันว่าคืนนี้มันจะมาไหมไหน โหผู้กองผมก็ไม่ได้มาไม่ไหนหรอกครับผมเลยคิดถึงอยากจะคุยอะไรอะไรกับเจ้านายเก่าของผมในฐานะเงซายไม่ใช่ในฐานะของจักรราชผมก็เลยต้องแอบย่องเข้ามาหาก่อนที่จะเข้ามาก็ขออนุญาตก่อนแล้วนะ่ะซึ่งผู้กองก็อนุญาตไม่ใช่เหรอฮึนี่ขออนุญาตจากเมียแล้วเหรอหรือว่าแอบหนีมาเงซ า, ายชายันถามด้วยอารมณ์คลึกครื้อน ผมบอกให้เธอทราบแล้วครับว่าคืนนี้ผมจะเป็นแง่ทายเพื่อมาพบกับเจ้านายเก่าของผมเธอก็ยินดีครับซ้ายังบอกให้ผมเอาสั่งปามาด้วยในสภาพเช่นนี้ผมทราบดีครับว่าทุกท่านมีความสุขที่ได้เห็นผมเมื่อตอนบ่ายนี้แล้วก็ทราบด้วยว่าจะยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากกว่านั้นอีกหลายเท่าหากเห็นผมและสั่งปาในลักษณะอย่างนี้เป็นความจริงยังงั้นะแง่าย มันเป็นความจริงอย่างที่ว่าที่สุดอ่ะเชษฐากับอนุชาเอ่ยออกมาพร้อมกันแง่าสายก็เอียงหน้าหันไปทางรพินผป้กองก็เหมือนกันงั้นไม่ใช่เหรอครับผู้กองคราวนี้รพินไพรวันยิ้มออกมาจากแก่นแท้จริงใจของเขาเขาไม่ได้ตอบคุกตรงคำถามแต่ตอบมาว่านี่แงสาย ไม่เพียงแต่แกเท่านั้นหรอกที่คิดถึงพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนก็คิดถึงแกจนบอกไม่ถูกนับแต่วันที่จากกันตรงหัวถนนพระศิวะนะสำหรับฉันนะทุกครั้งที่เห็นแกทางมโนทวารระหว่างที่เดินป่าอยู่ในเที่ยวนี้นะฉันก็ดีใจจนบอกไม่ถูกว่ะถามจริงเถอะมาพบในคืนนี้ก็ดีแล้วทุกครั้งที่ฉันเห็นฉันพู ก, กแกหรือแกมาคอยส่งข่าวอะไร ระหว่างที่ฉันกําลังตกทุกข์ได้ยากอยู่กลางป่านั้นฉันได้สร้างภาพหลอนตัวเองขึ้นมาหรือว่าแกได้ใช้อิทธิชานบารมีของแกส่งกระแสจิตไปถึงฉันแง่สายนิ่งไปครู่ด้วยอาการยิ้มละไมและจึงตอบด้วยกระแสเสียงที่จริงจังขึ้นผิดไปจากอาการเล่นหัวล้อเลียนในครั้งแรกผู้ ก, กองครับผมต้องใช้พลังจิตของผมอย่างสุดชีวิตทีเดียว เกิบจะสิ้นลมปราณก็หลายครั้งในการที่จะส่งกระแสจิตไปให้ถึงผู้กองหรือนายหญิงคนละด้านสุดแต่จะพิจารณาเห็นว่าทางไหนจะมีความจำเป็นก่อนกันโดยขอบารมีของพระมหาฤาษีกนธัญญะช่วยถ่ายทอดส่งต่อให้ผมรู้เห็นการเดินทางความรู้สึกนึกคิดของแต่ละฝ่ายอยู่ตลอดเวลาในระหว่างที่เข้านั่งชานเพ่งกสิงอยู่ พยายามเรียกร้องชักจูงให้ทั้งในด้านผู้กองและทางด้านของนายหญิงบ่ายหน้าตรงมาที่นี่ให้ได้และพยายามชี้นําตลอดจนตักเตือนถึงภัยที่จะเกิดขึ้นในทุกครั้งผู้กองและนายหญิงไม่ได้คิดฝันหรือวาดภาพผมขึ้นมาเองเหรอกครับแต่พลังจิตของผมหรือจะเรียกอีกลักษณะหนึ่งว่ากายทิพย์ได้ติดต่อไปยังผู้กองและนายหญิงจริงๆครับแต่ทั้งสองฝ่ายจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าได้ฝันไป หรือว่าได้สร้างภาพหลอนขึ้นมาเองครับทุกคนอึ้องงันไปด้วยความรู้สึกอันไม่อาจบรรยายถูกโดยเฉพาะดารินกับประพินขนลุกสู้ขึ้นทั้งกายต่างฝ่ายต่างหันมองดูหน้ากันเองเธอเธอมหัศจรรย์เหนือมนุษย์มากนะแง่ทายนี่ฉันไม่เคยเชื่อมาก่อนเลยนะเนี่ยว่าในความฝันของฉันก็ตาม ภาพลับลับล่อๆของเธอที่ปรากฏที่ฉันเห็นหรือเสียงที่ดังแแววมาถึงจิตประสาทของฉันมันไม่ได้เป็นอาการหลอนของจิตประสาทตัวเองแต่แล้วก็มาปรากฏเอาเดี๋ยวนี้เองจากคําบอกเล่าของเธอว่าเธอได้ส่งพลังจิตของเธอติดต่อเข้ามาถึงฉันไม่รู้ทางด้านฝ่ายของรพินเขาแต่ฉันรู้เฉพาะทางฝ่ายฉันเท่านั้นว่าเธอติดต่อส่งข่าวมายังไงมั่งจนทําให้ฉันมุ่งหน้ามาจนถึงที่นี่ได้ และได้พบกระพินสมกับความคิดหวังไว้อย่างเลื่อนลอยที่สุดคือไม่คิดไม่ฝันว่าจะตามพบหรือตามเขาทันนั่นเองครับนายหญิงจะตามผู้กองพบหรือจะตามไม่ทันระหว่างทางหรอกครับนี่ไม่ใช่เป็นเจตนาหรือการกระทําของผมนะครับแต่เป็นไปตามลิขิตของชีวิตและดวงชะตาซึ่งผมนั่รู้อยู่แล้วแต่ก็ไม่อาจจะบอกให้ทราบล่วงหน้าได้เท่านั้น เพราะเท่ากับเป็นการฝืนกฎแห่งจักรวาลในทางกระแสจิตนะ่ผู้กองก็ได้เพียรพยายามถามผมอยู่ตลอดเวลาถึงตำแหน่งอับปางของเครื่องบินลำนั้นซึ่งผมก็บอกไม่ได้เช่นกันก็ได้แค่ชี้บอกเป็นในให้มุ่งเดินทางมาที่นี่นี่แหละและทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเปิดเผยออกไปเองเชษถฐาดีดนิ้วออกมาเบาๆแล้วถามขึ้นว่าเอาละงาา ย, ายเป็นการดีมากที่สุด ที่เธอมาพบเราทั้งหมดในคืนนี้ในลองเล่าเรืออธิบายเราฟังหน่อยสิว่าเรื่องราวมันเป็นไงมาไงเรากําลังอยากรู้อยู่เหลือเกินเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นปริศนาลึกลับไปหมดใช่นายต้องบอกความจริงทั้งหมดถึงแม้จะไม่บอกกับฝรั่งพวกนั้นก็ต้องบอกกับพวกเราถ้าคิดว่ารักกันจริงก็อย่าอมพนําเก็บเงื่อนงำ ม, มาไราไว้เหมือนเหมือนอย่างที่นายเคยปฏิบัติอยู่ในสมัยก่อน ระพินย้ำคำมาอย่างหนักแน่ขนขณะที่จ้องตาเขมงผู้กองระพินผู้กองเองน่ะรักผมจริงหรือเปล่าครั้นแล้วเงยสายก็ถามขึ้นเรียบๆดวงตาคมงามประสานสายตาของรพินนิ่งจิตใจที่เรามีต่อกันจำเป็นด้วยหรือที่จะต้องกล่าวมาด้วยวาจา ในเมื่อตัวแกเองก็รู้ดีอยู่แล้วนี่ครับถ้าเช่นนั้นพระเจ้ากรุงมรกฎนครเว้นระยะไปนิดหนึง่งซ่อนยิงก่อนจากการตรงหัวถนนพระศิวะผมได้มอบสิ่งใดไว้ให้กับผู้กองจำได้ไหมครับจำได้ทำไมจะจำไม่ได้แกได้มอบตราประจำตัวประจำราชวงศ์สุริยเทพ เป็นดวงตาทองคำรูปดวงอาทิตย์มีประกายแล้วก็เป็นแฉกออกรอบด้านไว้แก่ฉันทาไมจะจำไม่ได้และผู้กองตอบผมว่ายังไงขณะที่รับของสิ่งนั้นไปจากผมแล้วฉันก็พูดว่าเป็นพระมหาการุณาที่คุณล้นเกล้าถ้าพระบาทจะขอเก็บตาประจำพระองค์นี้ไว้กับตัวตลอดไปก็ตอบอย่างเนี้ย ถูกต้องครับผู้กองบอกกับผมไว้อย่างนี้เอาละครับเดี๋ยวนี้ผู้กองเก็บกลาประจำตัวของผมไว้ที่ไหนครับขอผมดูหน่อยได้ไหมครับกล่าวด้วยเสียงทุ้มลึกมีกังวาลเช่นนั้นแล้วแง่าสายหรือจั ก, กรราชก็แบมือออกไปตรงหน้าของรพินไพรวันท่างกลางสายตา จับมองของผู้ที่แวดล้อมอยู่ในขณะนี้ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งดารินวราฤทธิ์ซึ่งหลอนรุดสึกใจหายวาบอย่างประหลาดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าสองร้อยสี่ความเงียบ ขนาดเข็มตกก็คงได้ยินได้ปรากฏขึ้นยังบริเวณห้องโถงกลางอันเป็นที่ชุมนุมของคนหมู่มากนั้นอีกครั้งมันเงียบเงียบจริงๆและทุกสายตาของฝ่ายเชฐาเองขณะนี้ต่างจ้องเขม็งมาที่รพินไพรวันเป็นตาเดียวเพราะตะหนักแน่แก่ใจมันนานานักหนาแลวว้วา ในระหว่างอดีตร้อยตำรวจเอกตะเวนชายแดนไทยและร้อยโทกองโจนกระเรียงผู้เป็นทั้งคู่ปรับและเพื่อนตายคู่นี้ตลอดเวลามานั้นได้มีอาการลองเชิงหักเลี่ยมเฉือนคมกันมาตลอดและไม่เคยปรากฏว่าใครจะหักใครลงในกรณีที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าขณะ น, นี้ทุกคนล้วนใจเต้นระทึกไปหมดเพราะในครั้งนั้น ครั้งที่จักรราชประธานดวงตราประจํองค์มอบให้รพินก่อนที่พรานใหญ่จะทูลลาเป็นครั้งสุดท้ายนั้นทุกคนก็ล้วนมองเห็นและได้ยินคําพูดระหว่างทั้งสองฝ่ายตลอดเวลาถ้ามาดแมนว่ายามถูกทวงถามเอาซึ่งซึ่งหน้าณนะบัตรนี้หากระพินไม่อาจนําเอาตราประจําตัวของสมเด็จพระเจ้ามุกรุงมรกรนคร ที่มีติดพระองค์มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยและได้ถอดออกมามอบให้แกเขาผู้นั้นไปด้วยความรักไว้วางใจสนิทเป็นเครื่องหมายแทนความผูกพันซึ่งกันและกันอย่างสูงสุดมาเอามาแสดงให้เห็นต่อเฉพาะพระพักและต่อหน้าประจักรพยานทั้งหลายที่เคยร่วมรู้เห็นอยู่ศักดิ์ศรีและสิ่งที่ระพินเคยแสดงไว้ให้ประจักตลอดเวลาว่าระหว่างเขาและแง่ายนั้น มีความรักผูกพันต่อกันมากที่สุดอะไรจะเหลือไว้อีกแง่ท า, ายจะต้องเสียใจมากทีเดียวและระพินจะแก้ตัวว่ายังไงไม่มีใครคาดฝันมาก่อนจริงๆว่าแง่ท า, ายจะมาทวงตาประจำตัวเอากับระพินในยานนี้เหมือนจะเป็นการขอพิสูจน์น้ำใจของบุรุษที่เขารักเสมือนพี่ชายร่วมสายโลหิต ถึงขันมอบดวงตาประจำราชวงศ์นั้นไว้ให้เป็นเครื่องหมายต่างหน้าเตือนระลึกซ้ำอีกฝ่ายก็ยังรับปากว่าจะเก็บติตัวไว้ทุกขณะสำหรับดารินนั้นทําแห้ว่ายามนี้ดวงตาของแง่ทรายซึ่งมอบให้แกรพินไปบังเอิญมาอยู่ที่หล่อนในขณะนี้แล้วก็หล่อนคงจะรีบยื่นส่งให้ และคงจะช่วยพูดแก้สถานการณ์ไปให้ได้สารพัดอย่างแต่นี่มันไม่ได้อยู่ที่หล่อนและหล่อนก็ไม่คิดว่ารพินจะมีติดตัวอยู่ในขนาดนี้หน้าของดาริงเริ่มซีดเฉฐาอนุชาและชยันก็เริ่มกระสับกระส่ายไม่เป็นสุขระหว่างรอคอยวินาทีสำคัญอยู่นั้น โดยสีหน้าเรียบเฉยตายด้านเป็นปกติของเขาอย่างที่ทุกคนเคยเห็นจอมพรานกรีดบุหรี่ออกมาจากซองที่เพิ่งได้รับมาจากอนุชายัดใส่ปากคาบไว้ด้วยอาการชา้าช้าระหว่างที่ล้วงซิปโปก็พูดต่ำาๆในขณะที่ริมฝีปากยังคาบบุหรี่อยู่ว่าแกเป็นผู้มีชานอันวิเศษเหนือมนุษย์ปุุชนธรรมดา มีหูทิบมีตาทิฟทุกสิ่งทุกอย่างนะรู้เห็นได้ยินหมดไม่ว่าฉันจะเคลื่อนไหวทำอะไรอยู่ที่ไหนยิ่งกว่าแม่มดวาชิกาในครั้งนั้นซะอีกแล้วแกจะมาถามยันทำไมว่าดวงตาของแกน่ะอยู่ที่ไหนฉันว่าแกก็รู้ดีอยู่แล้วนี่ว่าฉันเก็บไว้ที่ไหนยังไงหรือว่าจะยักย้ายถ่ายเทขายหรือจานาไห่ใครไปแล้ว เง่ยสายสันศีสะไปมาแช่มช้าแต่ยังยิ้มในลักษณะแยกเขี้ยวอยู่เช่นนั้นผู้กองครับชาญของผมนนะอยจะเพ่งมองเฉพาะสิ่งจำเป็นที่สำคัญต่อชีวิตความปลอดภัยของผู้กองหรือนายหญิงเท่านั้นแหละครับแต่จะไม่เพ่งมองค้นหาไปในสิ่งประกอบเพียงเล็กๆน้อยๆ หรือมองลึกเข้าไปค้นหาวัตถุองค์ประกอบอื่นๆที่ผู้กองมีติดตัวด้วยหรอกผมขอเน้นอีกครั้งครับดวงตราประจำตัวของผมที่ผู้กองรับปากจะติดตัวอยู่ตลอดเวลานะขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนครับโปรดแสดงให้ผมเห็นประจักษ์ต่อหน้าทุกๆ ท, ท่านที่นั่งอยู่ณที่นี่ด้วยเถอะถ้าหากว่าผู้กองรักผมจริง และมีสัจจะเป็นคำพูดจริ ง, งนี่แกกาจะหักฉันหนึ่งเฮะไม่ได้ครับผมไม่ได้คิดที่จะหักอะไรผู้กองผมเพียงแต่ต้องการพิสูจน์ใจเท่านั้นเพราะตลอดเวลามานะเราทั้งสองฝ่ายต่างก็เอาใจเข้าแลกกันมาตลอดและผู้กองเองก็รู้ดีว่าผมตายแทนผู้กองได้ เท่าๆกับที่ผมเองก็เคยเชื่อว่าหากเกิดเหตุเพศภยัยใดๆกับผมผู้กองก็คงตายแทนผมได้เหมือนกันผมเคยเชื่ อ, อยังงั้นครับผู้กองนี่ระพินดารินพูดมาเบาๆอย่างใจไม่สู้จะดีนักฝืนยิน้มระพิน ถ้าบังเอิญว่าคุณไม่ได้มีดวงตราของจักรราศติ์ติดตัวมาด้วยในครั้งนี้ฉันก็มองเห็นเหตุหผลเหมือนกันว่าทำไมคุณจึงไม่ได้นำติดตัวมาด้วยเพราะข้อที่หนึ่งคุณไม่ได้มีเจตนาที่จะมุ่งหน้ามาที่นี่ในการออกเดินทางเริ่มต้นครั้งแรกและข้อที่สองดวงตรานั้นมีค่าสูงมากการติดตัวในระหว่างเดินป่าอาจจะทาให้เสี่ยงต่อการสูญหายได้ นายหญิงครับนายหญิงรักและเป็นห่วงผู้กองอย่างแท้จริงครับข้อนี้ก็พิสูจน์ได้ชัดอีกข้อหนึง่งในการที่พยายามพูดเพื่อบกป้องผู้กองไว้เพราะนายหญิงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผู้กองน่ะเอาตราประจำตัวของผมไปไว้ซะที่ไหนแง่าสายพูดลึกปลายหางตาไปทางนายหญิงอย่างชื่นชมคาราวะ แล้วเบนกลับมาจ้องขมิงที่หน้าตายของระพินอีกครั้งแต่สำหรับผมยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยครับว่าที่อ้างว่ารักผมนะ่ะผู้กองรักผมเหมือนอย่างที่ผมรักผู้กองหรือณ ห, หรือไม่ฮึโดยจะเอาแง่เอาเชิงเพียงแต่คำพูดที่ฉันตกปากรับคำแกไว้เท่านั้นเองเหรอฮะไงทราย ผู้กองครับในอดีตที่ผ่านมาคำพูดทุกคำของผู้กองนะั้นมีค่าเพราะมันทรงไว้ซึ่งสัจจะแน่นอนเสมอเดี๋ยวนี้ผมต้องการทราบว่าผู้กองยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่า